คอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่123การบรรลุมรคผลของเทวดาถามเทวดาบรรลุมรคผลได้ไหมครับถ้าบรรลุได้หมายความว่าบนสวรรค์มีการปฏิบัติธรรมเหมือนมนุษย์หรือเปล่าตอบการบรรลุมรคผลนบนสวรรค์นั้นเป็นไปได้แต่ไม่สะดวกเหมือนบนโลกมนุษย์ครับเหตุเพราะขาดอุปกรณ์สำคัญ ที่เอื้ออํานวยในการปฏิบัติภาวนานั่นคือกายมนุษย์อันเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายของพวกเรานี้การปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าเยืนอยู่บนการพิจารณาเห็นกายใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนซึ่งเห็นได้ง่ายในกายใจของมนุษย์แต่เห็นได้ยากมากบนกายทิพย์ใจทิพย์ของเทวดานางฟ้าอะไรๆในความเป็นทิพย์นั้น ตั้งอยู่เพื่อให้หลงระเริงเพื่อให้เพลิดเพลินยึดติดแต่ถ่ายเดียวอย่างไรก็ตามหากเทวดามีคุณสมบัติเหล่านี้ mm. ก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุมรรคผลบนสวรรค์กัน 1. เป็นเทพยดาผู้สั่งสมนิสัยอริยะไว้ก่อนพูดง่ายๆคือมีบุญมีบารมีทางมรรคทางผลพอที่จะสละความยึดติดในกายทิพย์และใจทิพย์ ไม่ใช่มีมเมฆหมอกความหลงผิดปิดบังแน่นหนาเช่นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยบั่นทอนกำลังใจหรือขัดขวางผู้คิดภาวนาเอามักเอาผล 2. มีการพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนเต็มกำลังแม้มีบุญบา ร, รมีมากเพียงใดถ้าไม่รู้เข้ามาที่กายทิพย์ใจทิพย์ของตนจนเห็นความเป็นเหตุปัจจัยประชุมกันชั่วคราว เกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาหาตัวตนมิได้แล้วก็ไม่มีทางบรรลุมรรคผลเลยการพิจารณาธรรมให้เห็นความไม่เที่ยงและความไม่ใช่ตัวตนนั้นอาจเป็นความรู้ความจําที่ติดตัวมาตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์หรืออาจเป็นการชี้ทางโดยผู้มีภูมิธรรมระดับอริยะก็ได้ขอยกตัวอย่างการบรรลุธรรมอันลือนลั่นของพระอิน ซึ่งมาเข้าเฝ้าสดับพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มีมาในสักกะปัญหาสูตรอันหมายถึงปัญหาที่ท่านเท้าสักกะหรือพระอินทร์ลงมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงในโลกมนุษย์หากคุณศึกษาเนื้อความดังต่อไปนี้ให้ดีก็จะเห็นตัวอย่างการบรรลุมรรคผลอันเกิดจากการพิจารณาธรรมที่ไม่ยากจนเกินไปและเมื่อเข้าใจแล้วก็ย่อมทราบชัดว่า การบรรลุมรคผลเป็นของสากรไม่จําเพาะว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นขอเพียงมีดวงจิตเป็นกุศลสามารถเข้าใจภาษาธรรมะจะเป็นเทวดาอินพรมไหนๆก็มีสิทธิด้วยกันทั้งสิน้นครั้งนั้นพระพุทธองค์ท่านประทับอยู่ในถ้ำชื่ออินทสาระพระอินรวมทั้งเหล่าเทวดาอันเป็นเทพบริวารได้มาเข้าเฝ้า พระอินกล่าวสรรเสริญคุณแห่งพระพุทธศาสนาว่าทำให้เทวดามีสหายใหม่มากขึ้นส่วนสัตว์ในอบายภูมิได้เพื่อนน้อยลงอีกทั้งพระอินได้เห็นตัวอย่างการบรรลุธรรมในหมู่เทพด้วยกันจึงมากราบทูลขอพุทธานุญาตถามธรรมเพื่อความบรรลุถึงเช่นนั้นบ้างพระพุทธองค์ทรงอนุญาตและตรัสรับรองว่าจะตอบปัญหาของพระอิน ให้หายสงสัยถึงที่สุดเนื่องจากเลงเห็นว่าเท้าสักกะเป็นบัณฑิตจะถามอะไรย่อมประกอบด้วยประโยชน์กับทั้งมีความสามารถเข้าใจเนื้อความธรรมะได้รวดเร็วฉับพลันฉะนั้นพระองค์จะไม่เปลืองแรงเปล่ากับการตอบคำถามเป็นแน่ครั้งนั้นความสงสัยอย่างที่สุดของพระอินทร์ท่านคืออยากทราบว่า อะไรเป็นเครื่องมัดใจสัตว์ทั้งหลายให้ต้องผูกเวรกันทั้งที่บางพวกไม่อยากมีเวรก็ไม่แคล้วต้องถูกเบียดเบียนต้องตอบโต้ต้องก่อเวรกับผู้รุกรานต่อให้เป็นเทวดาหรือกระทั่งเป็นพระอินทร์ผู้ยิ่งใหญ่ในดาวดึงก็ยังถูกเหล่าอาสูรปราวีเข้าจนได้ในการตอบเพื่อให้มักให้ผลแก่ผู้ควรบรรลุ พระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไม่ให้คำตอบโยงไปเกี่ยวพันกับอดีตกรรมหนหลังที่เทวดาและอาสูรเคยผูกเวรกันมาทว่าจำกัดขอบเขตอยู่ในเหตุผลของจิตและคำตอบแบบยิงเข้าเป้าโดยตรงของพระพุทธองค์ก็คือดูกรจอมเทพเหล่าเทวดามนุษย์อาสูร น, นาคคนทันต่างก็มีความริษยาและความตรนีเป็นเครื่องผูกใจไว้ แม้เหล่าชนจำนวนมากปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีอาจยาไม่มีศัตรูไม่มีความพยาบาทแม้กระนั้นพวกเขาก็ยังต้องเป็นผู้มีเวรมีอาจยามีศัตรูมีความพยาบาทยังจองเวนกันอยู่คำตรัสของพระพุทธองค์หมายความว่าพวกเราตกอยู่ในจักรวาลแห่งการเบียดเบียนถูกจองจำพัฒนาการอยู่ด้วยสายโซ่ คือความริษยาและความตรนีต่อให้ไม่อยากมีเวรก็ต้องมีเวรต่อให้ไม่อยากมีศัตรูก็ต้องมีศัตรูเราไม่ทำเขาเขาก็มาทำเราอยู่วันยังคำ่ำยากที่จะหลีกเลี่ยงไปได้ตลอดรอดฟังดังกล่าวแล้วว่าพระอินทร์เป็นผู้มีปัญญามากเพียงฟังเท่านั้นท่านก็เบี่ยงเบนความสนใจจากเวรนอกตัวมาเป็นเหตุแห่งเวรอันเป็นของภายในนั่นคือ ความริษยาและความตรณีทันทีซึ่งในขั้นนี้ผู้มีปัญญาใกล้ถึงธรรมทั้งหลายต่างก็เหมือนกันคือตัดความสนใจนอกตัวเอาสติเข้ามาตั้งที่ภายในรู้อยู่กับเรื่องของใจตนเมื่อเกิดสติรู้อยู่ที่จิตอันเป็นของจริงในตนแล้วพระอินทร์ก็ทูลถามต่อข้าแต่พระสุคตด้วยคำตอบของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ข้ามความสงสัยเรื่องต้นเหตุแห่งภัยเวรแล้วแต่กระนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่าความริษยาและความตรนีมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความริษยาและความตรนีจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตรนีจึงไม่มีพระอินไม่ได้ถามอย่างคนช่างซัด หรือสักแต่อยากรู้อยากเห็นเพราะท่านถามเจาะเอาแก่นสารอันเป็นที่สุดด้วยนั่นคือเมื่ออะไรไม่มีความริษยาและความตรี่จึงไม่มีอันนี้ถือเป็นคำถามที่ลึกซึ้งสุดยอดของศาสนาพุทธเราซึ่งกล่าวถึงเหตุแห่งการมีทุกข์และเหตุแห่งการดับทุกข์ผู้รู้ทางศาสนายอมทราบดีว่าคาถามนี้ของพระอินทร์เริ่มเข้าข่ายอริยสัจหรืออีกในหนึ่ง เป็นการถามเอาความรู้แจ้งในระดับอริยะแล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่รจอมเทพความริษยาและความตรรีมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอยู่ความริษยาและความตรรย์จึงมีเมื่อวัตถุอันเป็นที่รัก และวัตถุอันไม่เป็นที่รักไม่มีความริษยาและความตรนีจึงไม่มีพระอินย่อมเห็นแจ้งตามจริงตามพุทธพจน์ทันทีว่าเมื่อปราศจากเครื่องยึดให้จิตรักใคร่ใจย่อมว่างจากความริษยาและความตรนีแต่กระนั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดของความสงสัยพระอินจึงทูลถามต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้นิรุตุ วัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าดูก่อนจอมเทพวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักนั้น มีความพอใจเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความพอใจมีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงมีเมื่อความพอใจไม่มีวัตถุอันเป็นที่รักและวัตถุอันไม่เป็นที่รักจึงไม่มีบัดนั้นพระอินทร์เห็นเข้ามาที่จิตอีกครั้งเห็นว่าบุคคลหรือวัตถุภายนอกย่อมไม่อาจเป็นที่รักได้เลยหากขาดตัวปลาสาคัญตัวเดียวคือ ความพอใจหากขาดความพอใจเสีแล้วทั้งโลกย่อมไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นว่าน่ารักหรือน่าชังอีกต่อไปพระอินยังมีคำถามต่อข้าแต่พระองค์ผู้นีระทุก ค, ความพอใจมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่อมีอะไรความพอใจจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความพอใจจึงไม่มีพระพุทธองค์ตรัสตอบ ดูกรจอมเทพความพอใจมีความตรึกเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความตรึกมีความพอใจจึงมีเมื่อความตรึกไม่มีความพอใจจึงไม่มีนี่คือคำตอบที่ชัดเจนเรียบง่ายและตรงไปตรงมายิ่งคนเราถ้าไม่ตรึกนึกถึงสิ่งใดความพอใจหรือความไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งนั้นย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้เลย ขอให้พิจารณาดูว่าถ้าคุณผ่านไปเห็นหรือมีอะไรผ่านมาให้ได้ยินแต่คุณไม่ยินยนสนใจไม่ใส่ใจตรึกนึกเปรียบเทียบให้เห็นข้อดีข้อเสียต่างๆคุณย่อมไม่รู้สึกรู้สาแม้เห็นอยู่ว่าสวยงามหรือชวนชังแต่ทุกอย่างก็สักจะผ่านมาแล้วผ่านไปโดยไม่มีใจคุณติดตามไปด้วยแต่ธรรมดาคนเรา เมื่อพบเห็นหรือได้ยินอะไรก็มักเอากลับมานึกถึงเอากลับมาคิดต่อแล้วก็เกิดอาการตอกย้ำตัดสินยิ่งยิ่งขึ้นว่านั่นน่าพอใจนั่นน่าจับต้องนั่นน่าได้มาไว้เป็นสมบัตินี่แหละพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพราะความตรึกนึกเป็นเหตุจึงมีความพอใจเกิดขึ้นได้พระอินทูลถามต่อ ถ้าแต่พระองค์ผุณนีรทุก ค, ความตรึกมีอะไรเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นข้าพระองค์ใครที่จะทราบว่าเมื่ออะไรมีความตรึกจึงมีและเมื่ออะไรไม่มีความตรึกจึงไม่มีคราวนี้พระพุทธองค์ตรัสตอบมาถึงระดับพ้นวิสัยที่จะเข้าใจด้วยมุมมองของการมีตัวตนในวงเล็บลองอ่านช้าๆจะไม่ยากเกินเข้าใจนะครับวงเล็บปิด ดูกรจอมเทพส่วนหนึ่งของความตรึกมาจากความสำคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดความสำคัญมั่นหมายนั่นแหละเป็นต้นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อความสำคัญมั่นหมายมีความตรึกจึงมีเมื่อความสำคัญมั่นหมายไม่มีความตรึกจึงไม่มีความสำคัญมั่นหมายคืออาการที่จิตทรงจา ตลอดจนหมายรู้ได้ว่าอะไรคืออะไรหน้าตาแบบไหนเป็นของคนรักหน้าตาแบบไหนเป็นของศัตรูและหน้าตาแบบไหนเป็นตัวคุณเองหากประสจากอาการสำคัญมั่นหมายอันประกอบไปด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดเสียแล้วคุณจะไม่แบ่งเขาแบ่งเราไม่มีข้างคนรักไม่มีข้างศัตรูเลยทุกคนเป็นพวกเดียวกันคือ เป็นเหยื่อของความไม่รู้ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อรู้สึกชัดเข้ามาในภายในเห็นว่าจิตนี้มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งเป็นความสำคัญมั่นหมายหรือความจำได้หมายรู้ก็เท่ากับคุณเห็นแบบแยกส่วนว่าความจำได้หมายรู้เป็นแค่อะไรชิ้นหนึง่งเป็นตังหากจากตัวตนและถ้าตั้งความเห็นไว้ถูกต้องว่าความจาได้หมายรู้ เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งแล้วต้องสาบสูญไปสู่ความเป็นอื่นคุณก็จะไม่เห็นตัวคุณอยู่ในความจำและไม่เห็นความจำโดยความเป็นตัวคุณแต่อย่างใดเลยมาต่อกันเรื่องพระอินพอฟังคำตอบถึงตรงนี้ตัวสำคัญมั่นหมายก็ปรากฏต่อจิตของท่านแล้ว คือท่านเห็นความสำคัญมั่นหมายเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งอันนำมาซึ่งความตรึกความพอใจและเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นต้นต่อแห่งความริษยาและความตรณีดังนั้นท่านจึงทูลถามพระพุทธเจ้าต่ อ, อยังจะเอาคำตอบสำคัญสุดยอดคือข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกุกก็ภิกษุปฏิบัติอย่างไรจึงได้ชื่อว่า ทำเหตุอันควรที่จะทำให้ถึงความดับในส่วนของความสำคัญมั่นหมายอันประกอบด้วยความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิดคำตอบสำหรับคำถามนี้พระพุทธองค์ตรัสโดยถือหลักว่าจะต้องปฏิบัติได้จริงสำหรับเทวดาเหล่าเทวดาประสบกับสัมผัสดีๆอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจะหาเครื่องพิจารณาใหจิตถอนจากความทยานอยากความถือตัวและความเห็นผิด จึงต้องว่ากันด้วยเรื่องความดีใจและความเสียใจกันเป็นหลักเพราะแม้ในโลกสวรรค์ที่อุดมด้วยทิพยาสภาพอัแสารประณีตไรทิติก็อาจเป็นทางมาแห่งโสมนัสและโทมนัสได้พระพุทธองค์จึงอาศัยโอกาสแคบๆนี้เป็นช่องชี้ทางสว่างให้พระอินทร์คือดูกรจอมเทพอัรรมภาพจะกล่าวถึงโสมนัสโดยแยกเป็นสอง คือสมานัตที่ควรเสพก็มีสมานัตที่ไม่ควรเสพก็มีโทมนัตก็แยกเป็นสองคือโทมนัตที่ควรเสพก็มีโทมนัตที่ไม่ควรเสพก็มีและอุเบกขาก็แยกเป็นสองคืออุเบกขาที่ควรเสพก็มีอุเบกขาที่ไม่ควรเสพก็มีสมนัตโทมนัตและอุเบกขาใดทําให้กุศลเจริญขึ้น กับทั้งปราศจากความตรึกความตรองอย่างนั้นควรเสพแต่ถ้าทำให้อกุศลเจริญอย่างนั้นไม่ควรเสพได้ฟังอย่างนี้สําหรับพระอินทร์ก็โดนใจเต็มเต็มเพราะท่านเพิ่งมีประสบการณ์อันทำให้ระลึกได้ถึงการเสพโสมนัสควบคู่ไปกับโทมนัสมาสดสดร้อนร้อนกล่าวคือเหล่าพักพวกเทวดาของท่านเพิ่งรบกับเหล่าอสูร ซึ่งเมื่อพระอินเป็นฝ่ายชนะก็ย่อมมีความโสมนัสยินดีความโสมนัสยินดีอันเกิดจากชัยชนะต่ออริราชศัตรูนั้นเมื่อพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ย่อมเห็นชัดว่าเป็นโสมนัสที่ประกอบไปด้วยทางมาแห่งอาจยาประกอบไปด้วยทางมาแห่งศาสตราไม่เป็นไปเพื่อความแหนงหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพาน ส่วนการได้รับความยินดีการได้รับความโสมนัสอันเกิดจากการได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นไม่เป็นทางแห่งอาจยาไม่เป็นทางมาแห่งศาสตราแต่เป็นไปเพื่อความแหนงหน่ายคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อันเกิดจากการรู้แจ้งมรรคผลนิพพานระหว่างฟังเทศนาธรรมไขปัญหาอยู่นั่นเองพระอินทก็บรรลุธรรมในวงเล็บ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าบรรลุมรคผลหรือได้ดวงตาเห็นธรรมรู้จักพระนิพพานเป็นวาระแรกวงเล็บปิดดังความตามพระสูตรที่ว่าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยากรภาสิทินี้อยู่ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมนลทินได้บังเกิดขึ้นแก่เท้าศักกะจอมเทพเพราะเห็นแจ้งว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านั้นทั้งมวลล้วนมีความดับลงเป็นธรรมดาการสืบเตุสืบผลของความมีความเป็นทั้งหลายตามลำดับนั้นเปรียบเสมือนการปอกกากใบของต้นกล้วยออกทีละชั้นจนไม่เหลืออะไรไม่พบแก่นอันเป็นสุดท้ายนอกจากความว่างเปล่าและณที่ที่พบความว่างเปล่าจากตัวตนนั่นเองความรู้สึกในตัวตนย่อมหายไป เราด้วยสรุปอีกครั้งเทวดาบรรลุมรรคผลได้นะครับแต่ตามอัตภาพอันเป็นอัคระมหาสุขแล้วท่านจะไม่มีโอกาสเจริญสติตามแนวสติปฐานสี่เหมือนมนุษย์โลกพวกท่านไม่มีกายอันเต็มไปด้วยอืดฉีและตับไตไส้พูงโศโครกตั้งอยู่อย่างอุดมโรคเป็นรังโรคที่รอวันแตกดับมีแต่กายทิพย์อันหอมหัวนุ่มนิ่มกับสภาพแวดล้อมน่ารื่นรมสุดประมาณ การจะพิจารณาให้เกิดความแหน่หนานจึงยากแต่ก็มีโอกาสอันแคบอยู่คือพิจารณาเห็นสายโซ่แห่งเหตุผลของการมีการเป็นหรือเห็นเข้ามาในจิตในอารมณ์ของตนเป็นขณนะขณนะว่าเกิดแล้วต้องดับไปทั้งหมดกระทั่งจบลงที่การรู้แจ้งว่ากายทิพย์ใจทิพย์นั้นหาใช่ตัวตนของใครไม่ดังตริน 27 thun w a k 2549กื่อยคลายเทียบตอนลับฝันร่างหนึ่งฉันนลับไหกับอีกร่างกายเธอในาความฝันเธอเป็นใครในนั้นจนลืมว่าเธอเป็นคนอีกคนเรื่องรากเธอในาความฝันอักเรียงร้อยกันจนดูทับซอน ภาพใจเธอที่เท้จริงโลงในความฝันนั้นเป็นแค่ภาพจำลองของใจดีไรซ่ อ, อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกไรแต่บนความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพหลุดตาอย่าง